ดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขารโยมจะไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> เราต้องทําความเข้าใจกับวิญญาณในกายของเราว่าใจของเราปกติตัวใจหรือว่าดววิญญาณปกติการก่อตัวการเกิดการเกิดการยินดียินร้ายการปรุงการแต่ง <c oughs> เราพยายามรู้ให้เท่าทัานสร้างความรู้ตัว ยิ่งกายหิวหิวใจจะปรุงแต่งความาความอยากได้เร็วได้ไวเราก็ต้องพยายามดูยิ่งบทใหม่ยิ่งพิจารณาใหม่ๆยิ่งเห็นอะไรยึดถ้าเรามีสติคอยสังเกตคอยวิเคราะห์สร้างความรู้ตัวรู้จักควบคุมใจรู้จักพิจารณาไม่ใช่ว่าจะเป็นตั้งใจเวลาเดินเวลานั่งทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ขณะทาการทํางานเราต้องดูใจของเราแล้วก็สังเกตดูทําไมใจถึงเกิดทําไมความคิดถึงผุดขึ้นมาพงแต่งใจความรู้ตัวของเราต่อเนื่องหรือไม่ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบพระสงฆ์พระคุณเจ้าก็หลายตาบลสองสามตำบลก็จะมาร่วมลงอุโบสถสามัคคีกันอุโบสถกันที่วัดของเรา จนก็นทั่งออกพรรษานน่นแหละออกพรรษาก็เดือนส2บสองวันที่17เจพฤศจิกายนก็จะได้ที่วัดเราก็มี <c oughs> วันทอดทวายว่มามหากรินกันซึ่งจะภาพใหญ่ก็คุณหมอสถาพรคุณหมอดวงเดืนอนญาติโยมท่านได้มีโอกาสอยกจะมาร่วมโอโบสดสามัคคีก็ ขอเชิญนะก็ขอเชิญนนวันที่สิบเกนนแหละวันที่17บเกตพฤศจิกายนวันสุดท้ายเพื่อนวันสุดท้ายเพื่อนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอวันลอยกระทงพอดีนี่น้ำปีนี้ยังไม่ได้เข้าบ่อเลยฝนฟ้าก็แรงยุกอีกไม่นานก็คงจะเข้ามันก็เริ่มมาแล้วแหละภายในออพรรษานี้ก็คงจะเริ่มมาปีนี้แรงแล้งยุก ถ้าไม่มีน้ําบ่อน้ําสะก็ชาวบ้านเหตุนี้ก็คงจะลําบากจุมีโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันส่วนวันอาทิตย์ที่22ที่จะถึงนี้ก็ได้มีท่านผู้ใจบุตรได้มาทําการถ่ายชีวิตโคแมลูกอีกโูหนึ่งมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันอนุโมทนาสาธุช่วงเช้า <c oughs> ทางวัดของเราก็ช่วยกันทํา ช่วยกันทำมีอะไรก็ช่วยกันจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ยิ่งสบายอย่างสมมุติให้บริบูรณ์ถึงจะไม่มีค่ามีราคาทางโลกมากมายก็ขอให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ให้ได้ลำบากใครเข้ามาก็มีความสุขลูกหลานเข้ามาก็มีความสุข แต่ละวันแต่ละวันเด็กๆมาเยอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะั่นตั้งแต่ดูในทองนนแล้วมาเมาื่อวานนี่ก็เด็กหลายขันรถเหมือนกันตัวเล็กๆเดินมาดีอกดีใจเห็นนนทนเห็นนี่ <c oughs> เหมือนกับเราเป็นเด็กไปเที่ยวมีความสุขเจออะไรก็ละลานตาตาการตาไปหมดแถมได้กินไอติมด้วย ดังเจ้าคุณก็จับมาเลี้ยงไอ้ติมธอก่อนค่อยปล่อยไปเด็กจะไม่ติดใจได้ยังไงนอ่มได้ทำบุญให้ท่านมีโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกันในหลักธรรมแล้วก็ท่านก็ให้รู้เรานั่นแหละรู้ใจแก้ไขใจของเรา ใจของเราเกิดกิเลสเราก็รู้จักละรู้จักดับเรามีความเจ็ดคร้านเราก็เพิ่มความขยันเรามีความผิดชอบระดับไหนอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสอเราต้องเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจอบรมใจของตัวเราเองไม่ ใ, ใช่ว่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนคนอื่นเขาอบรมอย่างนั้นไปไม่ถึงไหน ธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจของเราใจของเราเป็นธรรมใจของเราไม่มีมกิเลสใจของเราก็เป็นธรรมก่อนที่จะสัส่งได้ก็ต้องขัดเกลวเพราะว่าใจของเราเป็นธาตุของกิเลสมานานเขาหลงเกิดมนันแนวทางนั้นมีอยู่วิธีการมีอยู่การพูดการศึกษาการอ่านก็เพียงแค่ชีแนะอุบายแนวทางเป็นที่เท่านั้นแหละจะพวกท่านไม่ไปทาไปสร้าง ให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของตัวเราเองก็อยากอยู่แต่ฐานในการทําบุญให้ทานศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นในพระธรรนไตยตรงนี้มีกันเต็มเปียกกันทุกคนความเสียสละก็มีกันเต็มเปียกกันหมดทุกคนแต่ตัวเดินปัญญาตัวเจริญสติเข้าไปคลายวิญญาณในกายในขันธ์หาของตัวเราตรงนี้มีมีมีอยู่แต่ไม่ต่อเนื่องพยายามทําให้ต่อเนื่อง ถึงจะเข้าใจลักษณะของความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันที่เราสร้างขึ้นมาเป็นยังไงการเอาไปใช้เป็นอย่างไงรู้ไม่ทันต้นเหตุเป็นอย่างไรเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับเราจะไปทิ้งสมมติไม่ได้พอกายเป็นกอนสมมติเราต้องทำความเข้าใจโลกธรรมเข้าอยู่ด้วยกันทุกเรื่องนั่นแหละตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจะไปแยกกันไม่ได้ นอกจากหมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะแยกออกจากกันแต่เราต้องแยกด้วยปัญญาให้ได้เสียก่อเหมือนกับบันไดก็มีลูกบันไดมีราวบันไดอยู่ด้วยกันอาศัยกันไปเหมือนกับคงเวียนอาศัยลกเวียนจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไปไม่ได้กายของเราก็เหมือนกันเราทําความเข้าใจให้หมดถึงจะเข้าใจในชีวิตแล้วก็ขยันหมั่นเพียรแก่งแยกแยะให้ออก ในกายในขันห้องเราท่านบอกว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันคําว่ากองว่าขันเป็นกองยังไงกองวิญญาณกองรูปกองเวทนากองสังขารทําไมถึงเรียกว่าเป็นกองเราต้องให้รู้ให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนแต่เขาก็รวมกันยุ่งทาไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทําไมใจถึงเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องเกิด ก่อนที่จะละความเกิดดับความเกิดได้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่นอนว่าวิญญาณในกายของเรานี้ไปอย่างไรไมาอย่างไรทำไมถึงหลงจเจริญสติให้ได้เสียก่อนประคับประคองสติให้ตั้งมั่นให้ได้เสียก่อนแล้วก็เอาไปสังเกตต้นเหตุไม่ทันก็รู้จักจุดรู้จักดับจนกว่าจะรู้เท่าทันเห็นแล้วแยกแยะได้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องอีก กิเลสอยากิดิเลสได้ละเอียดอีกรู้ความจริงแล้วก็ละอีกละเราก็ละขันหแล้วก็มาละกิเลสที่ใจอีกมาดับความเกิดที่ใจอีกใจไม่เกิดก็วางใจอีกหลายชั้นจริงๆแต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามเบาขยันมันเพี้ยนเราถึงเวลาเวลาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันแต่เวลานี้กําลังสติพากันสร้างกันทําน้ย ต้อง ต, ตื่นขึ้นมาใจของเราส่งออกไปภายนอกถ้ากี่เรื่องถ้กี่เที่ยวก็ไม่รู้ความคิดที่เกิดจากใจเกิดจากขันหา้าไม่ใช่ความคิดที่เกิดจากสมองเกิดจากปัญญาที่ทำความเข้าใจแจงออกกันคนละส่วนอยู่ถ้าคนเรารู้จักขยันหมั่นเพียรก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตดูจักบริหารกายบริหารใจกายทาหน้าที่อย่างไรทวารทั้งกทาหน้าที่อย่างไร ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารหอบรู้ในขันห้าในกายของเรายังไม่พอนะต้องรอบรู้ในโลกธรรมอีกในสิ่งที่เราก็ไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันอยู่รอบรู้ในกองสังขารในขันห้าของตัวเราเองเราก็รอบรู้ในโลกธรรมขยันหมั่นเพียรอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์อยู่กับสมมติหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้หวางสมมุติจริงๆ การพูดง่ายๆจุใ่การลงมือการกระทาการสร้างบารมีการละกิเลสต้องเป็นกิจวัตรเป็นนิอปปนิสัยไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นที่ใจเราบิดแม้แต่นิดเดียวการเกิดไม่มีมันก็ไม่มีคนเราจะไปแสวงหาดิ้นรนทั้งความทะเย อ, อทยานอยากทั้งความหิวของกายแล้วก็ความอยากของใจผสมโลงกันไป ในหลักธรรมท่านก็ให้ทำอยู่ให้เอาอยู่แต่เป็นการเอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาให้ถูกต้องอยู่ก็สมมติจะมีมากมีน้อยเอามากเอาน้อยก็เป็นปัญญาเขาไปทำหน้าที่เขาไปรับผิดชอบแต่ต้องคลายใจออกจากขันห้ารับรู้ให้ได้เสียก่นมันเหมือนกับเส้นผมบังผูกเขา แต่เราท่องทำจริงๆเอาจริงๆท่านถึงว่าเป็นทวนเป็นการทวนกระแสเป็นการสวนกระแสกิเลสกลับกันนิดเดียวอยู่ก็สมมติก็ไม่สมมติเขาครอบงับแล้วก็ยังประโยชน์คงสมมติให้เต็มที่ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ <c oughs> ต้องพยายาบกันไม่ว่าพระวิญญาณวิชี <c oughs> แก้ไขตัวเราปรปุงตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแต่อยู่ที่ไหนก็มีความสุข ถ้าบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นอยู่คนเดียวก็เป็นภาร ะ, ะให้กับตัวเองอยู่หลายคนก็เป็นภาร ะ, ะให้หมู่ให้คณะอยู่ด้วยกันก็ตาต่างคนต่างมีความรับผิดชอบอยู่น้อยคนก็มีความชกอยู่หลายคนก็มีความชกอัดต่างใจรับผ่อนกันอขออ意หยับ เ, เราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายช่อกห้องเราให้ชัดเจนกัน นั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องพันมมือฟังไปด้วยน้มสำเนียกลักษณะของการหายใจเข้าหายใจออกคำามาปัจจุบันนธรรมเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินถ้าความรู้ตรว ต, ตรงนี้ต่อเนื่องเขาถึงจะเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อ ม, อมแล้วก็ยังไม่พอ สติที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเวลาใจจะเกิดจะก่อตัวอาการ้องใจเราก็จะเข้าไปเห็นตรงนั้นเวลาความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดจะผุดขึ้นมาปรงแต่งใจเราก็จะเห็นใจกับอาการ้องใจก็จะเคลื่อนเข้าไปรวมกันเราก็จะเห็นขณะที่เห็นเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกัน เขาก็จะคลายออกจากกันแล้วก็พลิกแล้วก็งายเขาเรียกว่าแยกกลุ่มแยกนามนี่แหละที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงจะเปิดโอกาสขึ้นอยู่ตรงนี้พอใจพลิกงายขึ้นมาแล้วก็ใจก็จะว่างกายก็จะเบาอัตตาคําว่าอัตตานี่คือยังหนักอยู่พออนัตตาเข้ามาปรากฏกายก็จะเบาเราก็จะเห็นความคิดที่เกิดเกิดดับดับใจก็ว่างรับรู้ เห็นความเกิดความดับของขันห้าสติก็ตามดูตามดูทุกเรื่องตามดูทุกเรื่องก็ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาตามดูทุกเรื่องเขาเกิดยังไงเขาดับยังไงเรื่องอะไรในขันห้าของตัวเราเองถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ใจก็อยู่ในระดับบุญแต่ก็ยังหลงอยู่ใจก็ไปตามบุญตามกุศลตามแรงเหวียงของกับเราตามดูให้ทุกเรื่อง ต้นกำลังสติของเราค้นควาาหมดทุกอย่างจนหมดความสงสัยได้หมดมันอบรมใจได้หมดใจถึงจะมองเห็นความเป็นจริงเขาถึงจะปล่อยจวางได้กิเลสอยากกิเลสละเอียดความอยากความบินดียินร้ความความไปความมาความไม่ไปไม่มามีทุกอย่างเลยอยู่ในกายของเราถ้าเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางเห็นต้นเหตุแล้วก็มันก็จะตามทาความเข้าใจถึงไปเหตุทุกอย่างแต่เวลานี้ต้นเหตุ คือการจเจริญสตินี้มีไม่เพียงพอยังแก่สรากก็ยังลำบากที่จะอาไปสังเกตไปควบคุมใจก็ยังลำบากเอาไปละกิเลสก็ยังลำบากจนมากก็มีตั้งแต่ตัวใจแล้วตัววิญญาณตัวขันห้าเป็นตัวบงการพอเขาเกิดมานานเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเราก็เลยไปหลงออกตรงนั้นว่าเราคิดเราทําอาจจะถูกอยู่ระดับของสมมติถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ยังหลงอยู่ ถ้ายังคลายไม่ได้นี้หลงหมดหลงหมดถ้าคลายได้ปล่อยวางได้ใจงายขึ้นมาได้ตามทําความเข้าใจได้ดับความเกิดได้จนไม่เหลือจนใจนิทเป็นอิสระได้บริสุทธิ์นั่นแหละเขาเรียกวานิพัทธไม่ต้องไปเอาที่ไหนใจเที่ยงนิพพานก็เที่ยงใจไม่เที่ยงก็นิพพานก็ไม่เที่ยงแล้วก็เวลาก็ยังเกิดเกิดเกิดก ด, ดับดับถ้ากายเนื้อแตกดับเขาก็ต้องไปเกิดใหม่ เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องศึกษาต้องคน้นคว้าแต่เราก็ต้องอิงอาศัยสมมุติอยู่อาศัยโลกธรรมอยู่เราก็ต้องทําความเข้าใจหมดความเป็นอยู่ทางสมมุติก็ส่งผลถึงวิมุติจา้าสมมุติลําบากก็การประพฤติปฏิบัติก็ลําบากเราก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระวิญญูบัญชีมีไม่มากมีอยู่ในกายคนนี้ของเราแต่กิเลสมันมีมากมันก็ หาเรื่องหาเรามาปิดกั้นตัวเราเองปิดกั้นแม้แต่ตัววิญญาณตัวใจก็หาเหตุมาปิดกั้นตัวของเขาเองมันสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีกันทุกคนถ้าเราไม่ฝืนจริงๆเขาก็ไม่คลายให้รับเราฝืนจนถึงที่สิ้นสุดใจมันถึงจะคลายคลายแล้วก็เห็นเหตุเห็นผลสติตามดูตามรู้เหตุรู้ผลทั้งภายนอกทั้งภายในมีเรื่องเดียวเท่านี้หละ ไม่มีเรื่องอะไรมากมายนอกนั้นก็เป็นแค่ปลายเหตุเราตรงพยายามสาวเขาเ้าไป น, นึงต้นเหตุเห็นต้นเหตุมันก็จะมองเห็นหมดทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆก็ต้องพยายามกันอาสร้างความไม่ถึงรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันจะพักนะอ้พักกันไหวพระพ่อพ่อมันคอยไปทาความเข้าใจต่อนะ